มวนที่สิบท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็จะได้บรรยายถึงปริเชตที่สิบเก้าแห่งปฐ ม, มสมโพธิกถาต่อในปริเชตที่เก้านี้ว่าด้วยสักยะบรรพชาบริวัติคือตอนที่ การบรรญชาของกษัตริย์สักยะคือพระประยุรยติทั้งหลายที่ได้เสด็จออกบวชตามพระพุทธองค์ในวันที่สามนั้นองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ไปเสวยพระกญาหารในพระราชนิเวศแล้วก็ในวันนั้นพระองค์ได้เสด็จ ไปแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องจันทกินนอนชาดกโปรดพระพิมพาราชเทวีจนถึงที่ประทับเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วก็ปรากฏว่าพระนางพิมพาราชเทวีนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุพระโสดาปติพล เป็นพระยะบุคคลในพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จกลับอย่างนิโคราธาลามในวันอันเป็นอันดับขลบที่ห้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ก็เสด็จไปรับอาหารธมบิณบาตในนิวาสถานแห่งนันทราชกุมารผู้เป็นพุทธนุชา ซึ่งพระนันทราชกุมาร น, นี้เป็นพระอนุชาของพระองค์แต่ว่าต่างมารดากันก็คือเป็นพระโอรสของพระนางเจ้ามหาประชาบดีพระโคตมีพระแม่น่านางขององค์เดชะสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นเป็นวันวิน ว, วาห์มงคลของนันทะราชกุมารกับนางชนบทกัลยาณี องคุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ไปเส่วยที่พระตำหนักของนันทะในวันนั้นเป็นมงคลนั้นเมื่อทรงเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วก็ได้ประทานบาทนั้นให้แก่นันทะแล้วก็จึงเดรัดมงคลลกรถาเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากนิเวศมิได้ลงมิได้ทรงรับบาตร นั้นทักกุมารก็ไม่สามารถที่จะทูลเตือนพระองค์ได้ก็ทรงถือบาศเสด็จตามพระองค์มาในขณะนั้นเองนางสนมคนหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเข้าก็จึงได้รีบไปทูล น, นางชนบทกระยา น, นีพระนางชนบทกระยา น, นีก็ตกพระทัยเป็นอย่างมากทาั้งทังที่พระนางนั้นอ่า ทรงจัดแจงพระเกศาของพระนาง น, นั้นยังไม่สําเร็จเพียงได้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นก็จึงได้รีบลุกขึ้นมาสเสด็จลุกขึ้นมาตามไปโดยเร็วแล้วก็ลองทูลเจ้าจะลองทูล น, นันทราชกุมารตามหลังมาว่าตามเบื้องหลังมาว่าข้าเคาะข้าแต่พระรูกเจ้าขอพระรูกเจ้านั้นจงสเสด็จ กลับมาโดยเร็วหรือโดยด่วนเมื่อถึงนิคโครธารามมหาวิหารพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสถามนันทะว่าวนันทะเธอจะบรรพชาหรือนันท่านั้นทั้งๆั้ที่ตนเองมออิมิต้องการที่จะบรรพชาและตนเองก็เพิ่งจะอภิเสกสมรสกับพนางชนบทกระยาณีที่ไหนเลยที่ตนเองจะมีจิตใจในการบรนพรชา แต่ด้วยอาศัยความเคารพในพระพุทธองค์ในฐานะเป็นพระเชษฐาคือพี่ชายด้วยและในฐานะเป็นพระพุทธองค์ในการ น, นี้ด้วยด้วยความเคารพอย่างยิ่งจึงมีสามารถที่จะทูลทัดทานได้จริงได้ตรัสต่อพระพุทธองค์ไปว่าทูลว่าอยากจะบวชพระเจ้าค่ะเมื่อนันทะทูลแอดเมื่อนันทะทูลเช่นนั้นแล้ว องคุณเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จริงได้จัดแจงให้ปร o n ผมและปรงหนวดหนวดนุ่งผมผ้ากาสาวพ้าพั์แล้วก็จึงได้ประทานอุปสมบททันทีในวันที่เคารพเจ็ดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จพร้อมโดยพระพิสุสง์ไปเสวยพระกยาหารในพระราชนิเวศ ในวันนั้นเองพระนามพิมพาราชเทวีก็ได้ประดับประดาตรงตตกแต่งพระราชกุมารคือพระลาหุนแล้วก็ได้ส่งไปยังสำนักที่ใกลของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเสด็จม า, ารับบิณฑบาตและจึงได้ตรัสว่าพระสมณะองค์นั้น คือพุทธบิดาของเจ้าพระองค์นั้นมีขุมทรัพย์เกิดขึ้นมากมายแต่ว่าขุมทรัพย์นั้นบัดนี้แม่นี้ไม่ได้เห็นลูกนั้นจงไปขอขุมทรัพย์อันเป็นสมบัติของบิดาของลูกพระราหุลรับสั่งเช่นนั้นแล้วก็จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าถวายบังคม น, นมัสะการพลางก็เพ่งเล็งดูพระสัพพัญยู สัมมาสัมพุทธจเจ้าพลางก็เกิดความรักในพุทธบิดาเหมือนกับลูกที่เกิดความรักในพ่อทรงปราโมทโสบนัณเป็นอย่างมากก็จึงได้ตรัสชมว่าเงาแห่งสมณะนี้สุขสบายดียิ่งนักแล้วก็ตรัสอื่นอื่นอีกตามภาษาของทาลกโดยที่ไม่ได้คูแอมไม่ได้ทูลขอขุมทรัพย์ จนกระทั่งเมื่อพระองค์ทถรผ า, อ, าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำภัฒกิจเสร็จแล้วตรัสอนุโมทนาและสเสด็จกลับพระราหุลจึงได้วิ่งตามได้วิ่งตามมาทรงวิ่งตามมาทูลขอขุมทรัพย์อทูลขอขุมทรัพย์พวกอาราชอาณาจักทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะทัดทานได้ก็เพราะเหตุที่ว่าพระราหุลนั้นได้ าตามเสด็จพระพุทธองค์ไปลาหุนได้ตามเสด็จพระพุทธองค์จะปาจนถึงกระทั่งพระอารามคือนิโครธาลามพระองค์ก็จึงได้ทรงดำริว่าลาหุนนี้ปราถนาทรัพย์สมบัติจึงได้มาทูลขอแต่ว่าขุมทองอันเป็นของต้องจะต้องเวียนไห้ตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนะ เป็นของที่ไม่เทียงแท้แน่นอนฉะนั้นตถาคตจะให้อริยทรัพย์อันประเสริฐเจ็ดประการแก่พระราหุนนั้นก็เพราะเหตุอริยทรัพย์เหล่านั้นเป็นของที่ประเส ร, ริฐถาวรและมั่นคงมิทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏซึ่งจะทำให้พระกุมารนั้นเป็นเจ้าของโลกุ ต, กตระทรัพย์ให้ได้ ดังนั้นองคตุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสแก่พระธรรมเสนาบดีว่าเธอจงบวชจงบวชจงให้ลาหุ่นนี้บวชท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลถามกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าจะให้ข้าพรุทธเจ้ากระทาประการใดก็เพราะว่าลาหุ่นนี้อายุเพียงเจ็กขวบท่านั้น พระองค์ทุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระเด้ทรงบัญญัติไว้แล้วว่าบุคคลที่จะบวชเป็นพระภิกษุได้นั้นจะต้องอายุยี่สิบปีบริบูตรดังนั้นพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสแก่ลาหุ่าจึงได้ตรัสแก่พระสาลีบุตรว่าเธอจงบวชลาหุ่นให้เป็นสมณีดังนั้นท่านภาษาลีบุตรก็จึงได้ให้ลาหุ่นนั้นบรรเปชาเป็นสมณี พระลาหุนจึงนับได้ว่าเป็นสมณเณรองค์แรกในพุทธศาสนาซึ่งมีพระลาอาจเพิ่งมีภาษาลิบุตรเป็นพระอุปชายยะพระเจ้าสุดโทธนะได้ทรงทราบถึงเหตุการณ์เช่นนั้นก็ทรงโสมโทมนัสเป็นกำลังมิอาจที่จะยัดยั่งความโทมนัสไว้ได้ก็จึงได้รีบเสด็จไปยังนิโครทาลาม กราบทูลขอพุทธานุญาตว่าจำเดิมแต่นี้ไปกุลบุตรผู้ใดใคร่จะบวชท้าบิดามันดาไม่ยินยอมอนุญาตให้บวชก็จงทรงมดอย่าให้ทำการอุสมบทให้กุลบุตรนั้นองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็โปรดประทานพรแก่พุทธบิดาในเรื่องนี้พระเจ้าสุโธธนะนั้น ทรงเสียพระไทยเป็นอันมากด้วยความผิดหวังเพราะอะไรก็เพราะเหตุที่ว่าในอันดับแรกหรือเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นหวังที่จะให้พระพุทธองค์หรือคือเจ้าชายสิทธากุมาร น, นั้นได้สืบสันตติวงศ์ต่อจากพระองค์ไปแต่เมื่อพระองค์นั้นทรงเสด็จออกบรรพชาเสร็จแล้วก็หวังอยู่ ต่อมาก็หวังถือก็หวังที่จะให้ราชบุตรองค์เล็กก็คือสัตแอคือนันทราชกุมารแต่พระพุทธองค์ก็ได้นำราชนันทะกุมารนี่ออกบวชซะอีกก็จึงหวังหวังอยู่ที่หลานก็คือลาหุนนี่เองดังนั้นเมื่อพระองค์ได้นำลาหุนนี่ออกบวชซะอีกพระเจ้าสุโธนะจึงได้ทรงเสียพระทัยอย่างมากเพราะว่าขาด บุคคลที่จะสืบสันตติวงศ์ต่อไปจึงได้ทรงทูลขอพรแก่องคุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นจึงได้มีบัญญัติตั้งแต่บันดนั้ไปถ้าหากคุรบุตรผู้ใดบิดามารดาไม่ยอมอนุญาตให้บวชแล้วพระภิสุสงฆ์ท่านจะไม่ยอมอุปสมบทให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อพระราชทาน เ, าเมื่อ ทรงประทานพรแก่พุทธบิดาแล้วก็จึงได้ถวายพระพรลาพานันทะและสมเนรลาหุนตลอดพระสงฆ์บริสัทเสด็จกลับกรุงราชคฤึกประทับอยู่ที่ศีสปาวันคือที่ป่าไม้เสศีเศีษที่กรุงราชครึกนั่นเอง ก, ก็เป็นอันว่าองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสเสด็จโปรดพุทธบิดาครั้งแรกนี้เป็นกํานมีกําหนดอยู่เจ็วันเท่านั้นเอง ในการนั้นอนนาธวินทิกะเศรษฐีมาอย่างเมืองราชคลึกคืออนนาธวินทิกะเศรษฐีผู้นี้ชื่อเดิมนั่นก็คือชื่อสุทัศน์เป็นบุคคลอ่าเป็นเศรษฐีที่มั่งคัง่งแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญมีทรัพย์มากจึงได้ตั้งโรงทานสำหรับคนอนาถา อยู่ที่ประตูบ้านของตัวเองพวกคนอนาถาไม่มีที่พึ่งคนยากคนจนก็ได้อาศัยอาหารข้าวปลาอาหารจากสุทัศน์ผู้นี้แหละเลี้ยงชีพตลอดมาดังนั้นประชาชนจึงให้นามชื่อว่าอนาธมินิกะเศรษฐีซึ่งมีความหมายว่าเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนที่ไร้ที่พึ่งหรือคนอนาถา อนาธิบิษกเศรษฐีนี้เป็นอนาธิบิษกะเศรษฐีนี้เป็นเพื่อนเขยกันกันกบเศรษฐีกลุ่มราชคลึเพราะฉะนั้นในการนั้นอนาธิบิษกะเศรษฐีนี้ก็จึงได้มาอย่างพนครสาวัตถีเพื่อติดต่อกิจการค้าขายต่างๆซึ่งมาแล้วก็มาพักที่บ้านเศรษฐีประจําดังนั้นในการนั้นเขาจึงได้มาเมืองราชคลึ <c oughs> ได้เห็นว่าเศรษฐีผู้เป็นเพื่อนเคยของตนเองนั้นเมื่อพบตนขึ้นแล้วก็ได้กล่าวทักทายปราศัยแต่ว่าไม่ได้เอาใจใส่เหมือนกับทุกวันมัวแต่ไปเอาใจใส่สั่งคนโน้นคนนี้เพื่อทําอาหารก็นึกขึ้นว่าคงจะมีการงานอะไรก็จึงได้ถามเศรษฐีแห่งเมืองราชคลึศเศรษฐีเมืองราชคลึศก็ได้กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้จะถวายอาหารมิถุบัตรแกาาพา่พระพุทธอ่า พ, พ, พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน พ, พอได้ฟังเช่นนี้แล้วอนนาธรรมวินิกะเศรษฐีก็ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้านั้นได้เกิดขึ้นแล้วในโลกต้องการที่จะเสด็จไปเฝ้าท่านเศรษฐีก็บอกวันนี้เย็นแล้วพรุ่งนี้แค่ไปเฝ้าดังนั้นพอตื่นขึ้นในตอนเช้าอนนาธรรมวินิกะเศรษฐีก็จึง ได้รีบไปเฝ้าองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สีตะวันก่อนที่จะเสด็จมาสู่บ้านของอเศรษฐีชาวเมืองราชคลื่นี้ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็บรุโสดาปฏิพัธ์จึงได้กราบทูลนิมนต์ให้เสด็จพระนครสาวัตถีเพื่อที่จะไปโปรดประชาชนที่พรนครสาวัตถี เมื่อทรงทราบว่าองค์สุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับในการที่จะเสด็จไปกรุงสาวัตถีแล้วอนนาถบินิกาเศรษฐีนี้จึงได้รีบกลับไปก่อนจัดแจงสร้างพระเชตวันมหาวิหารซึ่งพระเชตวันมหาวิหารนี้อนนาถบินิกาเศรษฐีได้สละทรัพย์เป็นจํานวนมากซื้อพระราชอุทยานของเจ้าชายเชต แล้วก็ได้สร้างเป็นพระวิหารชื่อว่าเชตวันมหาวิหารไว้คอยต้อนอ่ารับเสด็จองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ดังนั้นเมื่อองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเมืองสาวัตถีก็จึงได้ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอันอนาธรรมินิกะเกษฐรธธีได้สร้างถวาย อนนาถวาาิธิกาเศรษฐีได้สร้างถวายส่วนท่านพนันทะเพราะเหตุที่ตนเองนั้นไม่ได้คิดประสงค์หรือไม่ได้เต็มเต็มพระทัยที่จะอุปสมบทจึงได้มีจิตกสันอยากจะศึกเมื่อนึกถึงคำของนางชนบทกระยาณ น, นี้ก็ยังก้องอยู่ในพระกันอยู่เสมอจึงไม่ได้ยินดีในการบรรพชา ใครที่จะกระสันที่จะศึกอยู่เสมอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าทรงทราบเข้าก็จึงได้ทรงพานันทะพระนันทะเถระนันโดยอิทธิปาทิอาโดยพุท ธ, ธาพินิหารให้ได้ไปเห็นนางฟ้าที่มีความงามสวยกว่า นางชนลบดกเรยานีและจึงได้ถามนันทะว่าหญิงผู้นี้กับนางชนลบดกเรยานีนั่นผู้ใดสวยกว่านันทะก็ยอมรับว่าหญิงเหล่านี้สวยกว่าพระองค์ก็จึงได้เป็นตัวประกันให้ว่าถ้าเธอได้บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งได้บรรลุคุณวิเศษแล้วแต่ฐาคตจะเป็นตัวประกันที่จะให้เธอนั้นได้นางได้หญิงทั้งหลายที่ ง, มงามเหล่านี้ นันทะก็จึงได้บำเพ็ญจนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยอุบายของพระองค์นั่นเองในการต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จจาริกไปสู่มหาชนบทก็ได้ประทับอยู่ที่อนุอัมพวันใกลบ้านอนุปิยนิคม ซึ่งเป็นที่อซึ่งอยู่ในแว่นแควนของมลชนบทในเวลานั้นเองสากยะทั้งหกพระองค์ด้วยกันก็คือท่านพัิยะราชาอนุรุทธะานันทะภคุกิมพิละเทวทัตเจ้าชายทั้งหกพระองค์นี้ พร้อมด้วยนายช่างกระบบคนหนึ่งคืออุบาลีพร้อมใจกันที่จะออกบรรญชา ต, ติดตามพระพุทธองค์จึงได้พากันออกจากกรุงราชไอบรุงกบิลพัฒน์สเสด็จไปจนกระทั่งสู่แว่นแคว้นแห่งมละลัชนบทมลลชนบทเมื่อเข้าเขตแห่งมลลชนบทนั้น เจ้าชายแห่งวงกษัตัิย์ทั้งหกพระองค์นี้ก็จึงได้มอบเครื่องประดับที่ติดตัวมานั้นให้แก่อุบาลีโดยบอกว่าทรัพย์สมบัติเท่านี้ท่านสามารถที่จะเลี้ยงตัวของท่านเองไปจนตลอดชีวิตได้แล้วก็ส่งให้อุบาลีอ่าอุบาลีผู้เป็นในช่างกระบกนั้นกลับส่วนอุบาลีนั้น เมื่อเดินทางกลับมาก็มานึกขึ้นได้ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นของที่เขาเสียสละแล้วแล้วเรื่องอันใดเราจะมารับเอาเขละซึ่งเขาคลายออกจากปากแล้วดังนั้นก็จึงได้แขวนเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอย่างที่ต่อไม้แล้วก็กล่าวว่าบุคคลใดต้องการก็ให้เอาไปแล้วก็จึงได้กลับมาอย่างที่กษัตริย์ทั้งหกพระองค์ จึงได้กล่าวทูลว่าตนเองนั้นมีความประสงค์จะบวชเมื่อกษัตริย์ทั้งหกพระองค์พร้อมด้วยอุบาลีในช่างกระบกนั้นได้เสด็จมาจนกระทั่งถึงอนุออนปยยาอัมภวันอนุปยยาอัมภวันก็กราบทูลพระผู้มีพระเจ้าว่าต้องการมีความประสงค์ที่จะต้องการอุปสมบทและก็ขอให้พระพุทธองค์นั้น อุปสมบทอุบาลีนี้ก่อนเพราะเหตุที่ว่าอุบาลีนี้เป็นคนใช้ตนเองมานานแล้วเพื่อที่ตนเองทั้งหลายนั้นจะทําลายขัติยมานะอันแรงกล้าของความเป็นกรรษัตริย์เสียให้พระอุบาลีให้อุบาลีนี้บวชก่อนจะได้กราบไหว้พระอุบาลีในฐานะที่บวชก่อนองค์ทุนเดชพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ ทรงกระทํำตามพระราชประสงค์เมื่อได้ทรงอุปสมบทให้อุบาลีเสร็จแล้วก็จึงได้ประทานอุปสมบทให้แก่บรรดากษัตริย์เจ้าชายแห่งกษัตริย์นั้นทั้งหกพระองค์ด้วยกันเมื่อพระบรมศ า, าสดาเสด็จจาริกไปครั้งหนึ่งก็ได้ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพี ปรากฏว่ามีลาบสการะเกิดขึ้นเป็นอันมากชนทั้งหลายนั้นได้ถือประจัยสี่มีอาหารจีวอนมีจีวรบินทบาดสนาสนะและกีลานเพสัตว์มาเป็นอันมากแต่ประชาชนทั้งหลายนั้นที่ถือประจัยทั้งสี่เข้ามาในพระวิหารที่โกสุมพีนั้นก็ได้ถามถึงแต่พระอักระสาวกทั้งสอง ภาษาวกองค์อื่นและเจ้าชายสักยะองค์อื่นแต่ไม่มีใครเลยที่จะถามถึงพระเทวทัตท่านพระเทวทัต ก, ก็เกิดความน้อยใจขึ้นมาเกิดความน้อยใจขึ้นมาว่าอาตมานี้ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่ทำไมไม่มีใครถามหาจึงดำลิว่าเราจะให้ผู้ใดเลื่อมใส ก็จึงบางที่จะบังเกิดลาบส ก, กาละได้ก็พิจารณานแล้วเห็นว่าอาชาติศัตรูกุมาร น, นี้ยังเป็นเด็กอยู่พอที่จะจูงใจนั้นให้เกิดความเริ่มสายในตนเองได้ก็จองจึงได้เนลมิกายนี้เป็นกุมารแล้วก็ใช้อส ร, รพิษเจ็ดตัวนี้พันกายแล้วก็เหาะไปยังกรุงราชครืก็การที่เทวทัตนี้สามารถที่จะเหาะได้ ยังกรุงน่นจะคลืนั่นก็เพราะเหตุที่ว่าเมื่อบวชมาแล้วเทวทัตนี้ได้สำเร็จฌานโลกีส่วนอพระเถระที่เป็นกรรษัตริย์อื่นๆทั้งหลายเช่นพระพัติยราชาก็สามารถสำเร็จมรรคผลนิพานในภายในพรรษานเองอนุรุธะก็ได้สำเร็จ พักคุกิมพิละก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แต่พระอนนเทเถระนั้นได้สําเร็จเป็นเพียงโสดาบันเท่านั้นแต่ส่วนพระเทวทัตนี้ได้เป็นเพียงญานโลกีได้เป็นเพียงยานโลกียยลกคือได้บรรลุจตุทะยานเจตุทะฌานแล้วก็มีฤทธิ์ขั้นปุถุชนเท่านั้นเองดังนั้นท่านพระเทวทัต เมื่อตอนเองต้องการที่จะให้พระเจ้าอาชาติศัตรูกุมาร น, นั้นาชาติศัตรูกุมาร น, นั้นเลื่อมใสในในตนเองก็จึงเด้ในรมิ ก, กายเป็นเหมือนกุมารแล้วก็ใช้สอดแพิษเจ็ดตัวนั้นพันกายของตัวเองสแสดงต่อพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้ า, าชาติศัตรูทรงทรง ท, รงทอดพระเนตรเห็นเขาก็ตกพระทยัยพระเทวทัศน์ก็จึงได้ปลอบโยนว่าอาตมานี่คือพระเทวทัศน์ แล้วก็แสดงกายเป็นสมณะเพศตามปกติอาชาติศตรูกุมานนั้นเลื่อมใสถวายลาสการะเป็นอันมากภายหลังนั้นท่านพระเทวทัตเกิดอากุศลจิตขึ้นมาคิดจะครอบครองพิสุสงทั้งปวงเสียเองพอดำริไดเช่นนั้นเองปรากฏว่าโลกยลิยลฤกษ์เสื่อมศูนย์ไป ดังนั้นวันหนึ่งพระเทวทัตนั้นจึงได้เข้าไปยังพระเวฬุวันมหาวิหารแล้วก็กราบทูลเนื้อความในถ้ำกลางบริษัทว่าข้าแต่ประผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงพระชลาภาพมากแล้วขอจงทรงสมรานด้วยทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมสุขวิหาร ะ, าระเถิด ถ้าพระพุทธองค์นั้นจะรับภาระช่วยว่ากล่าวครอบครองพระพิสุสงฆ์ทั้งปวงเองขอพระองค์นั้นจงทรงมอบพระพิสุสงฆ์สาวกแก่ข้าพระองค์เถิดองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตจึงทำให้พระเทวทัตนี่เสียใจที่ไม่สมหวังจึงได้ผูกอาฆาตพระพุทธองค์เป็นครั้งแรก แล้วก็ออกจากสำนักไปดั่มริว่าเราจะกระทาอันตรายแก่สมณะโคดมให้ผิดนัดจึงได้เข้าไปหาพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงได้เข้าไปหาพระเจ้าอ า, า, า, าชาติศัตรูแล้วก็แนะนําให้พระเจ้าชาติตรูนี้ปลงชีวิตพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นบิดาเสียก็โดยกล่าวโดยกล่าวเกี้ยกล่อมพระเจ้าชาติศัตรู ชีวิตของคนเหล่านี้ไม่แน่คนที่แก่นั้นไม่ใช่จะตายกว่าคนกว่าคนหนุ่มหรือเด็กเสมอไปเด็กๆนั้นอาจจะตายก่อนคนแก่ก็ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เช่นเดียวกันพระองค์นั้นอาจจะที่วงคดไปก่อนพระราชบิดาก็ได้เมื่อเป็นเช่นั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ไม่สามารถที่จะเป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชฤทธิ์ได เพราะฉะนั้นพระองค์ควรจะปรงพระชนมายุอาพระชนของพระเจ้ า, าพระราชบิดาเสียแล้วก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์ส่วนอาตมานั้นก็จะลอบลงพระชนพระบรมศาสดาแล้วก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเมื่อพระเจ้าชาติตรงนั้นผู้ยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ไม่สามารถที่จะรู้สึกรู้ถึงความดีหรือความชั่วก็จึงได้เชื่อ จึงได้เชื่อพระเทวทัตจนกระทั่งในที่สุดพระเจ้าชาตูนั้นก็ได้ทำปิตุขาตคือฆ่าพระบิดาคือฆ่าพระเจ้าพิพีสารเสียแล้วก็ได้สถาปนาตนเองนั้นขึ้นเป็นพระราชาสมความปรารถนาแล้วก็จึงได้ร่วมคิดกันกับพระเทวทัตใช้ในขมังธนูนี้เพื่อจะไปปรองพระชน์พระพุทธองค์ แต่กลับได้บรรลุในขมังธนูนี้เมื่อจะไปปรองพระชนะพระชนของพระพุทธองค์นั้นถูกพระองค์ทรมานเสียจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระโสดาปัติผลดังนั้นตนเองเทวทัตนั้นเมื่อไม่สมหวังเช่นนี้จึงขึ้นไปยังเมื่อในทวาในขมังธนูไม่สมผลแล้วก็จึง ให้พระเจ้าชาตรูนี้ให้ในควานช้างสายช้างคิลิเมรเพื่อที่จะได้ปรงพรชนมายุของพระุทธองค์แต่ว่าพระองค์นี้ก็ได้ทรงทรมานจนกระทั่งพยาช้างคิลิเมรนี่แหละสิ้นพยศพระเจ้าพระเทวทัตนั้นเมื่อยังไม่สมความหวังเช่นนี้ก็จึงได้ขึ้นไปยมนขเขายอดเขากิจจกุฏ แล้วก็ปลิ้งศิลาลงมาหวังที่จะให้ทับพระพุทธองค์แต่ก็ไม่สามารถจะทาได้สาเร็จเพียงแต่สะเก็ดหินเท่านั้นกระเทาะออกมากระทบนิ้วพระบาทของพระองค์เพียงห่อพระโลหิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําลายชีวิตของพระองค์ได้ครั้งนั้นความชั่วลายแต่ผลหลังที่พ ร, ระเทวทัต ก็ได้ปรากฏแก่พระแก่มหาชนทั้งสิ้นว่าพระเทวทัตนี้ชักชวนให้พระเจ้าชาติศัตรูโปรงพระชนมายุของพระพุทธเจ้าชักชวนพระเจ้าชาติตรูนี้ให้โปรงพระชนมายุของพระเจ้าพิมิสารแล้วก็ชักชวนให้โปรงพระชนมายุของพระเจ้าอีกการกระทำความชั่วลามุกถึงเพียงนี้ก็จึงได้ปรากฏแก่ประชาชนทั้งหลาย พระเจ้าชาตรูได้สดับดัดคดีเช่นนั้นเขาก็ทรงพระอายพระไทยจึงได้สั่งเลิกสำลักที่ได้ถวายแก่พระเจ้าพิมพ์พระเจ้าพระเทวทัตนั้นเป็นประจำเสียพระเทวทัตก็เลยหมดจากลาบสการละอันยิ่งใหญ่แม่ประชาชนทั้งหลายก็ไม่ได้ใส่บาตรให้ฉัน เทวทัต ก, ก็จึงได้คิดที่จะเลี้ยงชีพโดยการหลอกลวงประชาชนต่อไปเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ขอจบไว้ เ, วเพียงแค่นี้ขอความเจริญพาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพร จเจริญสุขท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องประถมสมโพธิกถาต่ อ, อในครั้งที่แล้วนั้นได้บรรยายค้างอยู่ในบริเขตที่สิบเก้าซึ่งว่าด้วยสากยะบรรญชาคือการที่พวกสักยะทั้งหลายตเด็จ บรรพชาตามเสด็จพระพุทธองค์เมื่อครั้งที่แล้วนั้นได้พูดถึงเรื่องอโกลิยะรูปหนึ่งกุ่มานแห่งโกลิยะรูปหนึ่งคือพระเทวทัตได้บวชได้เสด็จตามบรรพชาครั้งนั้นด้วยแต่ว่าพระเทวทัตนี้น้อยอกน้อยใจที่ตนเองนั้นไม่มีใครเลื่อมใส จะนับถือจึงได้คิดทําลายพระชนมายุของพระองค์พระพุทธองค์และจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองจนกระทั่งทำไงก็ไม่สำเร็จความชั่วทเทวทัตล่วมกับประชาชัตรูนั้นพระเจ้าชาติศัตรูนั้นได้กระทานั้นปรากฏแก่ประชาชนจนกระทั่งประชาชนทั้งหลายไม่ใส่บาตรให้ฉันดังนั้นเทวทัตพระเทวทัตจึงคิดที่จะเลี้ยงชีพโดยการหลอกลวงประชาชนต่อไป วันหนึ่งก็จึงได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลขอวัตถุห้าประการคือหนึ่งขอให้ภิกษุอยู่ป่าเป็นวัดสองให้อยู่ที่โคนไม้เป็นวัดสามนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดสี่บิณฑบาตเป็นวัดแลวก็ห้าเว้นจากการบริโภคเนื้อและปลา ถ้าพิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะถือข้อใดก็ต้องถือตลอดชีวิตจะละการปฏิบัติไม่ได้องค์สุเดระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตโดยมีพุทธดีกาวว่าตามแต่จะปฏิบัติโดยศรัทธาคือพระองค์นั้นไม่ทรงอนุญาตการที่เทวทัตตันขอพรเช่นนั้นโดยเห็นว่าจะเป็นการเคร่งคัดเกินไป แต่เท่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะปฏิบัติโดยสตางค์ตัวเองก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่ทรงบังคับเพราะเห็นว่าถ้าบังคับแล้วก็จะเป็นในหนทางที่เรียกว่าเคร่งครัดจนเกินไปดังนั้นเทวทัตนั้นก็จึงได้กล่าวโทษพระพุทธองค์ว่าคราวว่าพระพุทธองค์นี้ไม่เคร่งครัด จึงได้ประกาศแก่ชนทั่วไปว่าคำของใครจะประเสริฐกว่าใครแล้วก็จึงได้ประกาศแก่บรรดาภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดใคร่จะพ้นทุกข์ผู้นั้นจงตามเรามาและจึงได้พาภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยรู้เท่าไม่ถึงการที่เชื่อฟังคำของพระเทวทัตนั้นประมาณห้าร้อยลูกไปพยายามทำสังฆเพศ พระพุทธองค์ทรงทราบเหตุเช่นนั้น ก, ก็ทรงตัดเตือนแต่ว่าเทวทัตนี่ก็ไม่เอือเฟือ้อในตอนเช้าวันหนึ่งพบ พ, พระอนนท์เข้าในขณะบิธบาทก็จึงได้กล่าวว่าอนนท์จำเดิมแต่วันนี้ไปเรานั้นจะเว้นจากพระบรมครูและหมู่สงฆ์ทั้งหมดจะกระทําอุบาบสถสังฆกรรมแยกเฉพาะพวกที่เราของเราเท่านั้น พอถึงวันอุโบสถเทวทัพระเทวทัตก็จึงให้ภิกษุทั้งห้าร้อยซึ่งเชื่อฟังตามคำของตัวเองนั้นจับฉลากในการที่จะปฏิบัติตามวัตถุห้าประการก็คือว่าทำฉลากแจกให้ภิกษุทั้งห้าร้อยจับภิกษุองค์ใดจับได้ข้อใดสลกักซึ่งเป็นข้อวัดในข้อไหนก็ให้ประพฤติปฏิบัติไปจนกระทั่งตลอดชีวิต คือถ้าหากบุองคไดอ อ, องค์ใดจับการอยู่ป่าเป็นวัดได้องค์นั้นก็ต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตองค์ใดอยู่คนไม้มมก็ต้องอยู่คนไม้จับได้คนไม้ก็ต้องอยู่คนไม้ตลอดชีวิตองค์ใดจับได้นุ่งห่มผ้ามัสคุลก็ต้องใช้ผ้ามัสคุลตลอดชีวิตองคใดบิทบาทเป็นวัดจับได้บิทบาทเป็นวัดก็ต้องบิทบาทเป็นวัดจะรับนิมนฉันอาหารในที่นิมนไม่ได้ และองคใดเท่าจับได้จักกาแอจับการเว้นบริโภคเนื้อปลาได้องค์นั้นก็ต้องฉันมังสวิรัตตลอดชีวิตหมายถึงว่าองค์ใดองค์หนึ่งจับแล้วก็ปฏิบัติเพียงข้อเดียวจนตลอดชีวิตไปส่วนข้อสี่นั้นอีกสี่ข้อนั้นไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ก็จับฉลากกันไปทํานองนี้แล้วก็ทําลายสังฆเภศ ค, คือพาภิกษุสงฆ์จํานวนห้าลอยนั้นไปยังขยาศีสะประเทศ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าทรงทราบเข้าจึงให้อัครส า, าวกทั้งสองไปนํากลับมาซึ่งอัครส า, าวกทั้งสองคือท่านพระโมคคัลลานะท่านพระสารีบุตรคโมคคัลลานะนั้นไปเกลี้ย ก, กล่อมจนกระทั่งพระพิสุสง์ผู้บวชใหม่เหล่านั้นประมาณห้าร้อยนั้นรู้ดีรู้ชอบรู้ผิดรู้ถูกก็เด็ดตามพระอัครส า, าวกทั้งทั้งสองนั้นกลับมาสู่สนักของพระบรมศาสดาต่อไป ฝ่ายพระโกกาลิกเห็นพระพิษศเห็นท่านภาษาลิบุตรเกระโมคขลานะได้นําพิกษุที่เป็นบริวารของที่เป็นกลุ่มบริวารของตนเองนั้นกลับไปแล้วเห็นเช่นนั้นก็จึงได้ต่อว่าพระเทวทัตพระโกกาลิกนี่เป็นมือสองคือเรียกว่าเป็นผู้ถิ่นรองจากพระเทวทัตต่อมาซึ่งพระโกกาลิศนี่เตือนพระเทวทัตแล้วว่า อย่าได้ไว้ใจท่านภาษาริบุตรและพระโมคคัลลานะที่มานี้อาจจะมีแผนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พระเทวทัตนี้ก็เข้าใจว่าท่านภาษาลิบุตรกับพระโมคคัลลานะนี้จะมาเป็นสาวกหรือว่ามาเป็นศิษย์ของตนเองแต่เมื่อพระอักษาสาวกทั้งสองนี้เกลี้ยกล่อมจนกระทั่งที่พิสุสงทั้งหมดห้าร้อยรูปนั้นกลับไปแล้ว โกกาเล็กนี้ก็จึงได้ต่อว่าเทวทัตและด้วยความโกรธก็จึงได้ยกเข่านึ่งขึ้นกระทุ้งยอดอกของพระเทวทัตจนกระทั่งพระเทวทัตเนี่อาเจียนลงออกมาเป็นโลหิตแล้วก็เกิดอาพาธหนักอาพาธหนักอยู่เช่นนี้เนี่ยจนกระทั่งอยู่ถึงเก้าเดือนเทวทัตนี่ก็ยังไม่หาย จนกระทั่งเกิดอาภาษหนักพอถึงเก้าเดือนก็นึกว่าต่อไปนี้ชีวิตของตัวเองจะไม่รอดแน่ตอนนี้ก็สมนึกผิดใครที่จะมาขอเข้ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ขอร้องบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ยังไม่ยังเฝ้าอยู่อันที่ยังเหลืออยู่ให้นํามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาลูกศิษย์ก็คัดค้านว่าจะนําไปอย่างไรก็ท่านนั้น เป็นศัตรูกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัต ก, ก็กล่าวว่าเรานั้นเป็นศัตรูเกาะ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นศัตรูแก่เราเลยเพระองค์เป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวงก็จึงได้ขอร้องให้บรรดาลูกศิษย์นั้นพาไปดังนั้นบรรดาลูกศิษย์ก็จึงได้ให้ท่านพระเทวทัตเนี่ย จำวัดอยู่บนแคร่และก็จึงได้หามไปจากขยาศีสระประเทศจนกระทั่งถึงพระเชตวันภิกษุทั้งหลายเห็นพระเทวทัตมาเช่นนั้นแล้วจึงได้นำไปกราบทูลจึงได้นำเรื่องนี้กราบทูลต่อองค์สมเดาา็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเทวทัตนั้นไม่สามารถที่จะมาถึงเราได้หรือมาเห็นเราได้ไม่เห็นตถาคตได้ บรรดาลูกศิษย์ของพระเทวทัตได้นำพระเทวทัตมาจนกระทั่งถึงที่สระบครีหน้าประตูพระวิหารเฉตวันพระเทวทัตนั้นก็จึงให้ลูกศิษย์วางแคร่ลงก่อนโดยตนเองนั้นอ่อนเพลียซึ่งมาในระหว่างแดดต้องการที่จะส่งน้ำให้เป็นที่สบายใจสักหน่อยซะก่อนที่จะเข้าไปเฝ้าแต่พอพระเทวทัตนี้ได ลงจากแคล่ท้านี้ถึงแผ่นดินนั้นก็ปรากฏว่าแผ่นดินนี้ก็ได้แยกออกแล้วก็ได้สู่พระเทวทัตนั้นลงไปในขณะที่แผ่นดินได้สู่พระเทวทัตนั้นจนกระทั่งถึงจะจมลงแล้วเหลือแต่กันดูคางจดพื้นนั่นเองพระเทวทัตก็จึงได้กล่าวขอเข้ามาพุทธเจ้าขอถวายกันดูคางนี้เป็นพุทธบูชา อขอบูชาต่อสัพพัญญูผู้เป็นอัคระบุลมคูทั้งหลายแล้วก็จึงได้จมหายไปอาณิสง์แห่งที่พระเทวทัตนี้ได้ขอเข้ามาต่อพุทธองค์หรือว่ารู้ชรู้ดีรู้ชอบในตอนท้ายนี่แหละกล่าวขอเข้ามาพุทธองค์ถวายกันดูคางนี้ เป็นจะเป็นอานิสงส์ปัจจัยให้พระเทวทัตนี้ได้ไปเกิดเป็นพระประเจกพุทธเจา้าหรือเรียกไง่ายๆว่าพระประเจกโพธิ์ในอนาคตซึ่งสิ้นกับนี้ไปซึ่งสิ้นพุทธกับนี้ไปแล้วเมื่อพระเทวทัตได้กล่าวจบเะนั้นก็จมลงไปเกิดในเอเวจีมหานรกนี่ก็เป็นเรื่องในปริเฉดที่สิบเก้า จบแต่เพียงแค่นี้ต่อไปก็ถึงปริเฉตที่ยี่สิบในปริเชตที่ยี่สิบนี้ว่าด้วยเมไตไยยพยากรณ์ปริวัติคือว่าด้วยตอนที่การพยากรณ์เรื่องพระษีอริยะเมตไตรใ้แก่ตอนที่พระองค์ทรงพยากรณ์พระอชิตะภิกษุ ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอชาติศัตรูอันเกิดแต่พนางการนาเทวีว่าจะได้ตัดสู่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลซึ่งจะทรงพรนามว่าพระศีรอริยเมตไตรในการนั้นพระเมตไตรโพธิสัตว์ก็ได้อุบัติขึ้นในพุทธกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของของเรานี้พระเมตไตรโพธิสัตว์นั้น ได้ปฏิสนธิในครัภนของพระนางการจนาเทวีซึ่งเป็นอครมเหสีของพระเจ้ า, าชาติสตรูราชาคั้นท่วนโพสมาศก็ประสูตรจากพระครัภนได้นามบัญญัติว่าอาชิตตราชกุมารขั้นจเจริญวัยขั้นเจริญวัยขึ้นแล้วก็ได้สะดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาก็มีพระไทยศรัทธาโสมนัสอย่างยิ่ง ว่าพุทธานุภาพนี้อัศจรรย์ยิ่งนะักผู้ใดไม่ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลและบำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆก็มิอาจจะตัดสลุพระสัพพัญญุตยานได้ฉะนั้นอาตามาก็จะตัดบ่วงแห่งคาวาดออกบรรพชาในพุทธศาสนาจึงในทูลาพระราชบิดาบวชแล้วได้บวชเมื่อบวชแล้วได้เล่าเรียนพุทธพจน์เป็นอันมาก สอนทรรมบอกกล่าวพระไตบิดกแก่เพื่อนสหพร a มจารีเป็นจํานวนมากสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าได้เสด็จสู่กรุงกบิลพัทเป็นวาระที่สองพระนางเจ้าพระมหาประชาบดีโคตมีเจ้าแม่นานั้นก็ทรงจินตนาว่า จำเดิมแต่พระลูกเจ้ามาสู่พระนครนี้เราก็ยังไม่ได้ถวายสิ่งใดเลยฉะนั้นเราจะถวายจีวรสาดกจะถวายจีวรซึ่งเป็นผ้าสาดกเมื่อทรงคิดเช่นนี้และทรงดำริเช่นนี้แล้วก็จึงได้ทรงเพาะเมล็ดฝ้ายลงในอ่างทองเมื่อต้นฝ้ายออกปล่อย ก็ทรงเก็บใส่ลงไว้ในพระอบทองทรงเลือกเฉพาะที่ผลดีๆแล้วก็ทรงหีบทรงดีดปั่นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองปรากฏเป็นเส้นได้นั่นละเอีจริงนะมีสีเหลืองดุจทองเมื่อเห็นว่าพอที่จะทำจีวรได้แล้วพระองค์ก็ได้ให้หาในช่างหูผู้มีฝีมือเยี่ยมยย ม, มา สเสด็จทอดพระเนกการทอผ้านั้นเป็นนิดทุกวันเมื่อการทอผ้าได้สำเร็จแล้วก็ปรากฏว่าได้ผ้าสาดกนั้นสองผืนด้วยกันผืนหนึ่งยาวประมาณสิกสี่ศอกโดยความยาวเป็นพระภูษาที่คำนวณหาค่ามิได้จึงได้พับผ้านั้นใส่พระอกแก้วแล้วก็ยกขึ้นทูลเหนือศีรษะ พร้อมด้วยบริวาร น, นาไปถวายองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิโครธารามเมื่อไปถึงองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ถวายน้ำมศการแล้วก็ทรงจับผ้าทั้งคู่น้องเข้าไปถวายว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภูษ า, ท, าทั้งคู่นีข้ข้าพระองค์นั้นกระทำด้วยมือตนเอง ขอทรงพระมหากรุณานุเคราะห์รับผ้าทั้งคู่นี้เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพุทธเจ้าซึ่งการนานเถิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจักปะโคตมีเธอจงถวายแก่พระสงฆ์เถิดจะมีพระลานิสง์อย่างมากและได้ชื่อว่าบูชาตถาคตและพระสงฆ์ทั้งปวงด้วย พระนางมหาประชาบดีนั้นทงอ้อนวอนให้พระองค์รับนันถึงสองสามครั้งพระองค์ก็ไม่ยอมรับเมื่อพระองค์ไม่รับแล้วก็ทรงเสียพระไทยเป็นอย่างมากจึงเข้าไปหาพระอนนท์เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระอนนท์ก็เข้าไปทูลวิงวอนให้พระองค์ทรงรับ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับพระองค์ก็จึงได้จัดเทศนาถึงเรื่องทักคินาวิพังคสุจำแน่ทักคินาทานที่เป็นปาติปุกคลิกทานนะถึงสิบสี่ประการและสังฆทานเจ็ดประการด้วยกันและจึงได้กล่าวทักคินาทานอันบริสุทธ์สี่ประการในอ่ะ ทักินาทานที่เป็นปาติปุคลิกทานถึงสิบสี่ประการนั้นคือพระองค์ทรงตรัสเป็นลำดับไปทรงตรัสว่าบุคคลนั้นให้อาหารแกสัตว์เดริชานั้นมีอานิสงค์หนึ่งร้อยแต่ให้อาหารแกมนุษย์ที่ไม่มีศีลนั้นมีอานิสงค์หนึ่งพันการให้ ถวายาการให้ทานแก่มนุษย์หรือแก่คนที่มีศีลนั้นก็มีอานิสงส์มากกว่าคนที่ไม่มีศีลเป็นขั้นขั้นขั น, น, น, นต่อไปจนกระทั่งว่าการถวายอาหารมิถุบาตแก่พระสงฆ์นั้นพิสุสงคือสี่ลูกขึ้นไปนั้นมีอานิสงส์มากกว่าการถวายเป็นปาติบุคคลิกทานแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเสอีกพระองค์ได้ตรัตถกินาท า, านเช่นนี้แล้วก็ตรัสได้ ได้ต right. ัดถึงทักษิณาทานอันบริสุทธิ์สี่ประการด้วยกันคือทักษิณาทานบางอย่างนั้นบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกทักษิณาทานบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกทักษิณาทานบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกและทักษิณาทานบางอย่าง บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกในสี่ประเภทนี้ในทกักษิณาทานที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกนั้นหมายถึงทายกเป็นผู้มีศินแต่ถาวายแก่ปฏิคาหกหรือสละให้แก่ปฏิภาคาหกผู้ไม่มีศินอันนี้เรียกว่าทกักษิณาทานนั้นบริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝา่ายปฏิคาหกทักกินาทานบางอย่างนั้นบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกแต่ไม่บร ouais, ิสุทธิ์ฝ่ายทายกก็คือทายกไม่มีศีลแต่ถวายทักแอนแต่ถวายทานแก่บุคคลผู้มีศีลจึงชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกทักกินาทานบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายปฏิทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก ก็เพราะทายกผู้ถวายก็เป็นคนมีศีลไม่บริสุทธิ์ปฏิคาหกผู้รับก็เป็นคนมีศีลไม่บริสุทธิ์จึงเรียกว่าทักกินาทานไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกทักกินาทานบางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายปฏิคาหกทั้งฝ่ายทายกก็เพราะเหตุที่ว่าทายกก็เป็นผู้มีศีลปฏิคาหกผู้รับก็มีเป็นผู้มีศีลจึงจัดได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายก ทังฝ่ายปฏิคาหกพระนางโคตมีนั้นได้สดับพระธรรมเทศนาเช่นนี้ก็บังเกิดปีติและปรามโมทจึงได้น้อมนําเอาผ้าสาดกนี้เข้าไปถวายพระธรรมเสนาบดีพระธรรมเทศะเนาบดีพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ยอมรับก็จึงได้ถวายแก่พระโมคคัลลานะท่านพระโมคคัลลานะก็ไม่ยอมรับ ก็ได้ถวายพระอสีติมหาสาวกทั้งแปสิบองค์พระกุจชาทั้งหมดก็ไม่ยอมรับจนกระทั่งถึงพระอชิตะภิษุซึ่งเป็นพนวกะนั่งอยู่ท้ายสงฆ์ทั้งปวงพระนางจึงได้นำเข้าไปถวายปรากฏว่าพระอชิตะพิสุผู้นี้ก็จึงได้ยอมรับ เมื่อพระชิตะภิกษุยอมรับแล้วพระนางแทนที่เจวัดดีพระไทยกับทร ง, ทรงโ ท, ท, งโทมนัสเป็นอย่างมากจนขนาดที่วันน้าพระเนตรเนี่ยนองพักเลยเพราะเหตุที่ตนเองที่พระนางได้ลำพึงว่าตัวเรานี่บุญน้อยนักหนาอุตส่าห์ทาผ้าคู่นี้โดยตั้งจิตตั้งใจว่าจะถวายพระชินสีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระองค์พร้อมทั้งอักษรวาและพระมหาเถระทั้งหลายก็ไม่ยอมรับบัดนี้พิสุหนุ่มผู้เป็นนวักมายอมรับผ้าของอาตมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบวาราจิตเ่นั้นก็จึงได้มีพุท ธ, ธรมลิว่าตถาคตจะทำให้นางโคตมีพระนางโคตมีนี้บังเกิดโสมนับในวัตถุทานก็จึงได้ตัดให้พระอานนท์นั้น ไปนำบาดของพระพุทธองค์มาของพระองค์มาเมื่อนำมามาแล้วพระองค์ก็ทรงอธิษฐานว่าขอให้ภาษาวกทั้งปวงนั้นจงอย่าได้หาบาทนี้เห็นเว้นเสียแต่อาชิตะพิสุหนุ่มผู้เดียวเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ทรงขว้างบาทนี้เข้าไปในะขึ้นไปสู่อากาศ บาตนั่นก็ได้ลอยลักเข้าไปในกลีบเมฆท่านพระธรรมเสนาบดีเห็นเช่นนั้นแล้วก็จึงได้กราบทูลอาสาที่จะนำบาตรนั้นกลับมาเมื่อทรงทูลอาสาเช่นนั้นแล้วก็จึงได้เพาะขึ้นไปในอากาศเที่ยวค้นหาเท่าไรเท่าไรก็ไม่พบไม่สามารถที่จะพบได้ก็จึงได้ลงมากราบทูล ท่านพระมหาโมคลานะซึ่งว่ามีฤทธิ์เป็นอย่างมากแม้จะทรงอาสาไปอาส า, าไปค้นพบไปค้นหาก็ไม่สามารถที่จะพบบาทของพระพุทธองค์ได้พระมหาสาวกทั้งหลายแปดสิบองค์นั้นหรือว่าเป็นพระสาวกผู้ใหญ่นั้นก็ล้วนแต่เป็นเอตทัคคะต่างๆก็มีสามารถที่จะหาค้นพบได้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนอชิตะ เธอจงไปนค้นหาบาทมาให้ตถาคตพระผู้เป็นเจ้าก็ดำลิวาน่าอัศจรรย์ยิ่งนะัชฉะนไหนเพราะมหาเถระทั้งหลายก็มีอนุภาพมากจึงไม่อาจที่จะหาบาทได้พบส่วนอาตมานี้ยังมีจิตอันกิเลสมลพินยังครอบงำอยู่คือยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทำไมพระสัพพัญยูนะจึงตรัสสั่งให้เราเไปหาบาท เพราะฉะนั้นคงจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งเป็นแน่นอนฉะนั้นอาตมาจะต้องหาเที่ยวหาคนบาดให้ได้จึงบังเกิดปีติปราโมทขึ้นเป็นอย่างมากจึงเข้าไปกราบทูลรับอาสาแล้วก็จึงออกมายืนในที่สุดแห่งบริษัทมองดูนาภาก า, กาศคือบนท้องฟ้าแล้วก็ตั้งสัตยานิฐานว่า อาตมาบรรพชามาในพระพุทธศาสนานี้จะด้วยปรารถนาปัจจัยลาบก็หาไม่หรือบรรพชาวันนี้เพราะเหตุที่ว่ามิอาจจะเลี้ยงชีพในคลรวาวิสัยก็หาไม่แต่อาตมานี้ตั้งใจจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหมายมั่นที่จะตัดสู้ทาทั้งปวงในการข้างหน้า ี่วาศีลของอัตมานี้มิขาดมิทำลายเป็นศีลที่บริสุทธิ์เป็นอันดีขอให้บาทขององค์พระชินสีนี้จงมาประดิษฐานในมือแห่งอัตมานี้ทรงอธิษฐานจิตอย่างนั้นแล้วก็ทรงเหยียดมือนั้นออกไปโดยพลันปรากฏว่าพอเสร็จสิ้นคำอธิษฐานนั่นเอง บายก็พลันตกลงมาจากอากาศได้มาประดิษฐานในหัดของอชิตะภิกษุนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักพระนางมหาประชาบดีได้ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็เกิดปีติโสพนัทเป็นอันมากเกิดศรัทธาภาษาทะอย่างแรงกล้าจนกระทั่งน้ำพระเนตรนี้ไหลออกมายอหัดนวัส ก, การพระบรมศาสดาแล้วแล้วเราแล่า แ, แล้วก็จึงได้ทูลลาเสด็จกลับ คืนพระราชนิเวศ ส, ส่วนอชิตะพิกษุนั้นได้จิตนาคิดไปว่าประโยชน์อันใดแก่อัตมา ด, ด้วยผ้าที่เลิกคู่นี้ด้วยการปิดจะจะนำผ้าคู่นี้มาปิดกายก็มีสมควรอาจจะมาจะนำผ้าคู่นี้ไปกระทำการบูชาพระพุทธเจ้าจะเป็นการสมควรอย่างยิ่ง เมื่อดำลีได้เช่นนี้แล้วก็จึงได้ถือผ้าผืนหนึ่งไปดาดเป็นเพดานเบื้องบนพระคันธกุดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกผืนหนึ่งก็ฉีกเป็นสี่ชิ้นแล้วก็ห้อยทำเป็นม่านทั้งสี่มุมแห่งเพดานนั้นแล้วจึงเปล่งวาจาว่าวัตถุบูชานี้จเจริญจิตยิ่งนะัก ด้วยอานิสงส์วัตถุนี้อาจตรมภาพมิได้ปรารถนาสิ่งอื่นนอกจากพระโพธิญาณสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ได้ทอดพระเนตรเห็นการกระทําของอชิตะภิกษุเช่นนั้นก็จึงได้กระทําอาการที่แย้มให้ปรากฏแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระอานนท์ทรง เ, เห็นเช่นนั้นแล้วก็จึงได้กราบทูลเหตุผลที่พระองค์ทรงแย้มให้ปรากฏขึ้น องคุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคยอจริงในตัดว่าอ น, นุ์อาชิตะภิกษุผู้นี้ในอนาคตการนั้นจะได้ตรัสเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าเมไตไยยะซึ่งจะตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมหาพัตตกัปนี้เองในการนั้นพระเมไตไพโพธิสัตว์จะได้ไปปฏิสนธิในครัภ์ของสุพรหมวดีพรามณี ซึ่งเป็นพัญญาของซุงพรรมพราม์ผู้เป็นปโปรหิตาจารย์แห่งพระเจ้าสังคบรมจรกพัฒนิเมื่อครบทศมาสก็จะประสูตรณที่ป่าอิสิปตนะมะิลกทายวันเมืองเกตุมนวดีเมื่อจเจริญวัยแล้วบริโภคสมบัติอยู่ในปราสาททั้งสามหลังมีนางจันทมุขีพราหมณีเป็น มาเป็นเป็นพระเป็นพระชายะเป็นชายาจะครอบครองสมบัติอยู่ในเพศคราวาา น, นั้นถึงเจ็ดหมืนปีเมื่อได้ทัศนาคือได้เห็นเทวทูตทั้งสี่เมื่อพระนางจันทมุขีนั้นคลอดบุตรนามว่าคลัมมวัฒนกุมารจึงดำริในการที่จะออกบรรชา ในขณะนั้นเองปราสาทก็จะได้เลื่อนลอยขึ้นบนอากาศและลงมาประดิษฐานณนะที่ใกล้ต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งในการนั้นต้นกากระทิงจะเป็นต้นสีมหาโพธิ์คือจะเป็นต้นไม้ที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระโพธิสัตว์ก็จะลงจากประสาทแล้วก็ถือเอาผ้าทิพกาสาวพัดแล้วก็ทรงบรรพชาบุรุษที่เป็นบริวารก็จะตามบรรชาทั้งหมด พระองค์จะทรงบาเพ็ญทุกกรกริยาอยู่ประมาณเจ็ดวันพอถึงวันวิสาขาบุธมีก็จะเสวยข้าวมัทุปายายของนางสุนันทาพราหมณาีท่านในเวลาเย็นก็จะได้รับย่าคาจากโสธียพรรมแปดกำมืออธิฐานเป็นลัตนะบันหลังสูงถึงสงิบห้าศอกสถิตบนบันหลังนั้นพิจารณาปัจญจาการก็จะสำเร็จเป็นพระสัพพัญสเร็จพระสพัญยุตยาน ในเวลาใกล้ลุ่งแห่งราตรีนั่นเองนี่เป็นคำพยากรเป็นพุทธพยากรที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พยากรณ์อชิตะภิกษุผู้ใหม่วบนี้ก็ไปนอ่านว่าจบปริเฉษที่ยี่สิบเพียงแค่นี้ขอความเจริญพาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านขอเจริญพร